เวทนาที่เป็นทุกข์จึงอยู่แค่กายคืออยู่ที่กายไม่ใช่อยู่ที่จิตใจหรือไม่ใช่อยู่ที่ภูกำหนดดูกำหนดรู้ เมื่อเป็นดังนี้จึงชื่อว่าแยกกายออกจากใจได้เมื่อแยกกายออกจากใจได้ใจก็ไม่ต้องรับเป็นทุกขเวทนาทางใจทุกขเวทนาก็เป็นก ขเวทนาของกายแต่ว่าไม่เป็นทุกขเวทนาของใจสติที่กำหนดดูกำหนดรู้เวทนานี้จึงแยกได้ดังนี้ และแม้จะได้รับทุกเขเวทนาอย่างอื่นหรือแม้ได้รับสุขเวทนาก็ตามเมื่อตั้งสติ ก, กำหนดดูกำหนดรู้ ให้เป็นเวทนาปริกหากรรมฐานก ร, รมมฐานที่กำหนดเวทนาอยู่เมื่อสติที่กำหนดมีกำลังก็ย่อมจะแยกได้เช่นเดียวกันสำหรับเวทนาที่เป็นทางกายนั้น เมื่อตั้งสติหัดปฏิบัติกำหนดดูกำหนดรู้อยู่ดีม่อ ย, ยจนมีความชำนาญย่อมอาจจะแยกได้ง่ายกว่าเวทนาทางใจเพราะเวทนาทางใจนั้นอยู่ที่ใจเองแต่เวทนาทางกายนั้นอยู่ที่กาย ถ้าใจไม่ไปยุดไม่ไปถือเวทนาทางกายก็อยู่แค่กายไม่เข้าถึงใจแต่ที่เวทนาเข้าถึงใจนั้นคือใจเป็นทุกข์ไปด้วยกับกายก็เพราะว่ายัางแยกกันไม่ได้ เวทนาปริฆากรรมฐานกรรมฐานที่กำหนดเวทนานี้แหละที่จะแยกได้แต่ว่าจะต้องตั้งสติกำหนดให้มีกำลังต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทำปรับสมบสืบต่อไปบัด น, นี้จาก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 ในสัมมาธิทิของท่านประสาริบุตรเทระซึ่งมีที่มาในสัมมาธิทิสูตรโดยลำดับภิกษุทั้งหลายได้กราบเรียนถามท่าน ท่านก็ได้ตอบแล้วพระภิกษุทั้งหลายก็ได้เรียนถามท่านอีกว่ายังมีปริยายคือทางแสดงอย่างอื่นอีกหรือไม่ท่านก็ตอบว่ามีซึ่งเด็กล่าวมาโดยลำดับ ในวันนี้ก็จะได้กล่าวตามที่ท่านตอบคำถามของพระภิกษุทั้งหลายถึงปริยายคือทางแสดงอย่างอื่นอีกจากที่ได้แสดงอธิบายมาแล้วท่านก็ได้ตอบว่า ยังมีปริยายคือทางที่แสดงอย่างอื่นอีกคือสัมมาทิฏฐิเห็นชอบก็ได้แก่รู้จักผัสสะรู้จักเหตุเกิดผัสสะรู้จักความดับ ผัสสะและรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับผัสสะเมื่อท่านตั้งหัวข้อขึอข้นมาเป็นสี่ข้อดังนี้ท่านก็ได้แสดงเทราธิบายแต่ละข้อ ว่ารู้จักผัสสะก็คือรู้จักสัมผัสหกอันใดแกจะขู่สัมผัสสัมผัสทางตาโสตสัมผัสสัมผัสทางหูคานสัมผัสสัมผัสทางจมูก คิวหาสัมผัสสัมผัสทางลิ้นกายสัมผัสสัมผัสทางกายและมโนสัมผัสสัมผัสทางใจรู้จักเหตุเกิดแห่งผัสสะก็คือรูจ้จักเมื่ผัสสะเกิดขึ้น เพราะอายตนะหกเกิดขึ้นรู้จักความดับผัสสะก็คือรู้จักว่าจาับผัสสะดับก็เพราะอายตนะหกดับรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับผัสสะ ก็คือรู้จักมักมีองค์แปดมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นจะอธิบายสัมผัสหกคำนี้เรียกว่าผัสสะ เรียกว่าสัมผัสมักจะแปลกันว่าความกระทบในภาษาไทยก็นำเอาคำว่าสัมผัสมาใช้ซึ่งใช้ในความหมายว่ากระทบหรือถูกต้อง แต่ความหมายในทางธรรมะหมายถึงผัสสะหรือสัมผัสที่เป็นความประชุมกัน อาจตนะภายในอาจตนะภายนอกและวิญญาณแต่ละทางในทางทั้งหก กล่าวคืออาจะตะนะภายในอันได้แก่ตาภายนอกอันได้แก่รูปมาประจวบกันก็เกิดจากขู่วิญญาณ ความรู้ทางตาดังที่เด็กวัยเห็นคือเห็นรูปทั้งสามนี้คือตาหนึ่งรูปหนึ่งจากขู่วิญญาณหนึ่ง มาประชุมกันก็เรียกว่าสัมผัสและเรียกว่าจะขู่สัมผัสสัมผัสทางตา หูกับเสียงมาประจวบกันก็เกิดโสตวิญญาณความรู้ทางหูที่เรียกว่าได้ยินและทั้งสามนี้คือหูหนึ่งเสียงหนึ่งโสตวิญญาณหนึ่งมาประชุมกัน ก็เรียกว่าโสตสัมผัสสัมผัสทางหูจมูกกับกลิ่นมาประจบกันก็เกิดคานะวิญญาณความรู้ทางจมูกคือทราบกลิ่น จมูกหนึ่งกลิ่นหนึ่งคานะวิญญาณหนึ่งประชุมกันก็เรียกว่าคานะสัมผัสสัมผัสทางจมูกลิ้นกับรถมาประจบกันก็เกิดคิวหาวิญญาณความรู้ทางลิ้นคือทราบรถ ลิ้นหนึ่งรถหนึ่งชิวหาวิญญาณหนึ่งมาประชุมกันก็เรียกว่าชิวหาวิญญาณก็เรียกว่าชิวหาสัมผัสสัมผัสทางลิ้นกายและผลถัพบะสิ่งที่กายถูกต้องมาประจบกันก็เกิดกายวิญญาณ ความรู้ทางกายคือทราบสิ่งถูกต้องทางกายกายหนึ่งผลทะัะสิ่งที่กายถูกต้องหนึ่งกายวิญญาณหนึ่งประชุมกันก็เป็นกายสัมผัสสัมผัสทางกายมโนคือใจ กับธรรมะคือเรื่องราวมาประจบกันก็เกิดมโนวิญญาณความรู้ทางมโนคือใจคือรู้เรื่องหรือคิดเรื่อง มโนคือใจหนึ่งธรรมะคือเรื่องราวหนึ่งมโนวิญญาณหนึ่งประชุมกันก็เป็นมโนสัมผัส้ัาผัสทางมโนคือใจนี่คือผัสสะหรือสัมผัส ทางคดีทรรมเมื่อพิจารณาดูถึงสัมผัสหรือผัสสะนี่ก็ ย่อมจะทราบว่าเป็นผัสสะหรือสัมผัสทางจิตใจและเป็นของที่ ละเอียดกําหนดได้ยากไม่ใช่แต่สัมผัสหรือผัสสะเท่านั้นนามธรรมา ท, ทั้งหมด ที่เป็นเบื้องตน้นคือวิญญาณเองอันได้แก่ ความรู้ที่บังเกิดขึ้นเมื่ออายตนะภายในอายตนะภายนอกประจวบกันอันเป็นความรู้ของจิต ก็เป็นสิ่งที่ละเอียดยิ่งไปกว่าผัสสะหรือสัมผัสแต่ว่านามมาทมที่บังเกิดขึ้นสืบไปจากวิญญาณจากสัมผัส อันได้แก่เวทนาสัญญาสังขารย่อมปรากฏสังเกตจับพิจารณาได้ง่ายขึ้น ดังเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆางไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาณที่เป็นความจำหมายสังขารที่เป็นความคิดปรุงหรือปรุงคิดเป็นนามธรรมที่ชัดขึ้น ปรากฏมากขึ้นเหมือนอย่างสุขหรือทุกข์ทางกายก็ทำทางใจก็ตามเมื่อเกิดขึ้นทุกคนก็ยอมจะรู้หรือไม่ทุกข์ไม่สุขก็ยอมจะรู้ ตัญยาความกำหนดจำไหมจำได้จำไม่ได้ไไดทุกคนก็ย่อมจะรู้สังขารความปรุงคิดหรือคิดปรุงทุกคนก็ย่อมจะรู้ใจของตัวเองมาคิดอย่างไร และแม้วิญญาณที่บังเกิดขึ้นเมื่ออายตนะภายในอายตนะภายนอกประจบกันกับเมื่อทั้งสามมาประชุมกันเป็นสัมผัส อันละเอียดไปกว่านามธรรมที่บังเกิดต่อไปคือเวทนามักจะสังเกตได้ยากจับได้ยากทำความรู้ในวิญญาณในสัมผัส ได้ยากต่อเมื่อเป็นเวทนาเป็นต้นจึงจะชัดขึ้นและแม้ไม่ตั้งใจที่จะกำหนด แต่ว่าตัวเวทนาเป็นต้นนั่นเองก็โผล่ขึ้นมาให้ทราบได้ความโผล่ขึ้นมานี่แม้วิญญาณนส่สัมผัสก็โผล่ขึ้นมาดังที่ เมื่อตากับรูปประโจบกันก็เกิดความรู้รูปคือเห็นรูปอันเรียกว่าจักขู่วิญญาณทุกคนก็ย่อมจะรู้ว่าได้เห็นรูป และแม้เมื่อไม่เห็นก็ย่อมจะรู้ว่าไม่เห็นแต่โดยมากนั้นเมื่อไม่เห็นในสิ่งที่ต้องการจะไม่เห็นจึงจะ รู้ว่าไม่เห็นเพราะใจจะตั้งกําหนดอยู่คือตั้งกําหนดอยู่ในเรื่องที่อยากจะเห็นแต่ครั้นไม่เห็นก็รู้ว่าไม่เห็นแต่เมื่อเห็นก็ไม่ได้นึกถึง กิริยาที่เห็นอันเป็นจักผูวิญญาณแต่ว่าเป็นนึกถึงสิ่งที่เห็นนั้นคือข้ามเลยไปถึง ท่านดิบเป็นสังขารปรุงคิดหรือคิดปรุงและข้ามไปถึงที่เป็นอิเลสขึ้นมาเป็นความยินดีความยินร้ายต่างๆในรูปที่เห็นนั้นส่วนวิธีจิตที่แสดง ที่เป็นไปตามลำดับนั้นไม่ได้นึกถึงเช่นเดียวกับการที่จะขึ้นไปสู่ที่ใดที่หนึ่งซึ่งจะต้องก้าวขึ้นบันไดไปทีละขั้น ทุกคนก็ไม่ได้ไปนึกถึงบันไดที่ก้าวขึ้นไปมุ่งจะขึ้นและก้าวขึ้นไปก้าวบันไดขึ้นไปกี่ขั้นก็ไม่ได้นึกถึงไม่ได้มุ่งถึงเพราะฉะนั้นจึงมักจะไม่รู้ว่าบันไดที่ก้าวขึ้นไปนั้นมีกี่ขั้น วิธีจิตก็ เ, เช่นเดียวกันต้องเป็นไปตามลำดับเหมือนอย่างขั้นบันไดคือว่าอาณาจัภายในภายนอกที่มาประจบกัน ยี่เหมือนอย่างเป็นบันไดขั้นแรกคือความมาประจวบกันก็เป็นวิญญาณมีจะขู่วิญญาณเป็นต้นก็เป็นบันไดขั้นที่สองเาทั้งสามนะมาประชุมกันก็เป็นสัมผัสเป็นบันไดขั้นที่สาม มาถึงเวทนาเป็นบันไดขั้นที่สี่สัญญาที่ห้าสังขารที่หกซึ่งจิตนี้จะต้องดำเนินไปตามวิถีจิตดังกล่าวนี้ ในอารมณ์ทุกข้อทุกอย่างอารมณ์ทุกข้อทุกอย่างที่จิตคิด